วันนี้จะได้บรรยายพระสูตรใจชื่อว่ามหาสีหนาเตสุตซึ่งแปลว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลือศีนาตคือประกาศฐานะของพระองค์เหมือนกับพระยาราชสีบรรลือศีนาตก็จะเป็นพระสูตรที่ยาวแล้วก็ประกอบด้วยธรรมะต่างๆมากก็คงจะต้องใช้เวลานาน เริ่มข้อความในตอนต้นว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมืองพัยสาลีในแคว้นบัชชีแล้วก็มีอดีตภิกษุรูปหนึ่งชื่อสุนัขคตะิชวีเมื่อก่อนก็บวชอยู่ท่านก็ศึกไปด้วยความโกรธต่อพระพุทธเจ้าแล้วกโกรธไปแล้วก็ไปโพธ น, นาตนัมณี พระพุทธเจ้าโดยประการต่างๆแต่สรุปประเด็นแล้วก็มีอยู่สามประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความรู้ระดับที่เรียกว่าเข้าถึงมนุษยธรรมเท่านั้นแต่อุตริมนุษยธรรมคือธรรมที่เหนือกว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่รู้ประเด็นที่สองก็บอกว่าธรรมะที่ พระพุทธเจ้านำมาแสดงชี้แจงนั้นเป็นผลจากการนึกคิดวิเคราะห์สวจสอบเป่าก็หมายถึงว่าปฏิเสธการสัสรุประเด็นที่สามเาบอกว่าธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็มีผลเช่นนั้นจริงๆ ภาษารีบุตรเทระเข้าไปบินธบาตก็ได้ยินเข้าพอดีแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกลับม า, ากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ พ, พระพุทธเจ้ารับสารภาษาริบุตรสุนัขะตะนั้นเขาพูดด้วยความโกรธตั้งใจว่าจะด่าตถาคตแต่ว่ากลายเป็นยกย่องตถาคตไปโดยเฉพาะย่างยิ่งคือประเด็นที่สามนะแล้วก็ ทรงแสดงว่าการที่สุนัขตะลิชวีไปพูดไปแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นนอกจากความโกรธแล้วมันก็เพราะความไม่รู้คือไม่อย่างรู้ใน4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเนื่อแรกก็คือไม่อย่างรู้พระพุทธกุลตามนัยยะแห่งนวหารกุลทั้ง9ที่เราสวดกันประเด็นที่สองนั้นไม่อย่างรู้อิทธิวิธิซึ่งเป็นอภินญาหรือวิชาข้อนึ ประการที่สามก็ไม่อย่างรู้เจโตรปริยญาณของพระองค์และประการที่สี่ก็คือไม่รู้ปุเพในวาสานุสิยานของพระองค์ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงฐานะของพระองค์และคุณธรรมของพระองค์เป็นลำดับไปในเริ่มต้นก็ที่ทศพลยานส0ประการได้แก่ยานที่เป็นกำลังของพระทศพลหรือของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีอยู่10ประการด้วยกัน จากนั้นก็ทรงแสดงถึงอาหารทั้งสี่แล้วก็คติห้าเป็นต้นเสรุปว่าต่อไปก็เป็นการแสดงเรื่องราวต่างๆที่จะต้องก่าวไปโดยลำดับเพราะว่าตัวตัวเนื้อเรื่องประสูรมันก็เริ่มมาอย่างเงี้เท่านั้นข้อความในตอนต้นที่ควรเข้าใจเอาไว้เป็นเครื่องประดับความรู้ ก็คือเรื่องของลิชวีกับวัชีและก็ไผสาลีสุนักตะลิชวีนั้นก็เป็นโอรสของกษัตริชวีที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชแล้วก็ขอร้องว่าให้พระพุทธเจ้าช่วยแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูถ้าหากว่าไม่แสดงก็จะสึกถ้าแสดงก็จะอยู่มันก็เบ่งมากไปหน่อย พระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าไอ้ก่อนเธอจะบวชเนี่ยได้ตกลงกันไว้หรือเปล่าว่าถ้าเธอบวชแต่ฉันจะแสดงปฏิหารให้ดูก็บอกว่าไม่ตกลงกันหรือว่าเธอเองได้ขอร้องไว้ก่อนหรือเปล่าคือทำสัญญาไว้ก่อนหรือเปล่าว่าจะขอบวชแต่ก็มีข้อแม่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องแสดงปฏิหารให้ดูแกก็บอกว่าเปล่า พระพุทธเจ้าถามมาเมื่อมันไม่ตกลงอะไรกันแล้วมาทวงอะไรไม่มีสัญญาอะไรกันจะมาทวงอะไรแต่วันในขณะเดียวกันนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาทแล้วก็ไปพบปริพาชก ค, คนหนึ่งซึ่งทรมานตัวก็เรียนคล้ายๆกับสุนัขแล้วก็รับสั่งไอ้สุนักกะตะลิ์ชวีแกก็เกิดประทับใจในการปฏิบัติของปริพาชก ค, คนนั้นมาก จนถึงกับไปแสดงความชื่นชมนำมายกย่องสรรเสรินเพระเจ้ารับสั่งว่าปริพาชคคนนี้อีกเจ็ดวันจะตายถ้าตายแล้วก็จะตกนรกรอครบเจดวันก็ตายเราแสดงว่าทาังๆ ท, ที่ไม่มีข้อตกลงอะไรเนี่ยแต่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงในรูปของปาฏิหารเยอะไว้ท่านสุนักะตะเองก็ยังดูไม่ออกว่า น, นั่นคือปาฏิหาร แตการบอกวันตายของคนได้ตายแล้วจะไปไหนตายโดยอาการยังไงเนี่ยมันก็คือปาฏิหาริย์ตัเองก็ไม่เข้าใจในที่สุดก็มาขอร้องมาทวงดังกล่าวนะพระสูตรนี้มันมีอยู่หลายสูตรที่เกี่ยวกับสุนัขตะเนี่ยก็ตกลงว่าในที่สุดแกก็ศึกและเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าพื้นเพ ข, ของคนเหล่านี้ที่ชื่อลิชวีนั้นความหมายมันก็มีสองอย่างคล้ายๆผิวมันย่น แอย่างหนึ่งก็บอกว่าคล้ายๆไม่ไม่มีผิวคือตอนเกิดมาเนี่ยเรมีปฐมเหตุที่จะเกิดเมืองคือตามปกติแล้วในคมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถึงเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ชนพารณาณสีก็ดีโกศลก็ดีสาวัตถีก็ดีเนี่ยหรือกบิลพัทเนี่ยก็จะเล่าทั้งความเป็นมาให้ก่อนให้ฟังก่อนว่ามันเป็นมาอย่างไงทําไมถึงชื่ออย่างนั้นลิชบีนั้นเป็นชื่อของคนกลุ่มหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยพระมเยสีของพระเจ้าพารานสี ท่านประสูตรออกมาเป็นก้อนเนื้อแล้วก็กลัวว่าประชาชนจะรู้ก็ถือว่าเป็นการละกินดีอะไรนั้นนั่นก็ในที่สุดก็ให้นําไปฝังไว้พร้อมด้วยจารึกเล่าวความเป็นมาประวัติทั้งหมดแต่ย๋ยวท่านดาบทตอนหนึ่งท่านมาเห็นข้าวท่านก็นําไปไว้ที่กุฏิของท่านที่อาสมของท่านต่อมาก็แยกออกก็เป็นเด็กสองคน แล้วก็นายโคบานคนหนึ่งเห็นข้าก็นําไปเลี้ยงไว้แต่เด็กเนี่ยผิวมันแปลกคล้ายๆไม่มีผิวหรือผิวย่นนะฮะมันก็แปลอยู่สองอย่างไอลิชวชวีชวยก็คือผิวนะฮะลิฉะนี่มันมันไม่ทราบว่าจะเอาย่นดีหรือจะไม่มีดีเพราะบาลีเองท่านก็แปลไปสองแนวเ อ, อ, อาศัยที่ว่าเป็นเด็กมีบุญนายโคบาลเลี้ยงไว้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เลยก็ให้แต่งงานกันแต่งงานกันแล้วก็ไปสร้างที่ให้อยู่เรียกว่าวัดชี วัีก็คือไล่วัดชีแปลว่าขับไล่คือสถานที่ที่จะต้องขับไล่ก็าอาจจะเป็นการไล่คนอื่นเนี่ยไล่ใครครับก็ก็ไม่บอกไว้นะว่าไล่ใครกรณ์ในที่สุดก็ขยายสร้างเมืองก็มันก็สืบพืชพันธุ์กันมาเรื่อยจนขยายเมืองถึง7ครั้งด้วยกันเลยกลายเป็นภัยาลีแปลว่ากว้างขวางภาาัศาลนะฮะภัยาลีก็คือเมืองที่กว้างขวางเพราะขยายกำแพงเมืองออกไปถึง7ครั้ง ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือพวกวัดชีเนี่ยท่านที่เคยได้ยินวัดชีบุตรนะไอพวกนี้มันชักเกเรชอบคนนะคือตั้งแต่สมัยต้นมาแล้วพวกวัดชีบุตรเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งยุ่งที่สุดเลยในพระวินยัยปิฎกเนี่ยแล้วชอบสร้างเรื่องภิกษบวัชีบุตรแล้วก็ตอนสังขารนาครั้งที่สองท่านเคยอ่านเรื่องสังขารนาก็จะพบว่าต้นเหตุจริงๆก็คือพวกวัดชีบุตรแล้วก็พวกที่บวชมาเองก็ออกจากเกเรนะอันจะเกเร กาแสดงให้เห็นลักษณะทางสังคมของพวกวัชีว่ามีอัธยาสัยที่ออกจากเกเร ے. แล้วก็ออกจะพันผ่านแม้แต่กับพวกของตัวเองแล้วท่านที่เคยอ่านเรื่องของท่านพันธุระเสนาบดีของพระเจ้าประเนสนิกุศลก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้นิสยออัยออกจะพันผ่านคือพันธุระเสนาบดีกับท่านมหาลัยกับท่านพระเจ้าปรเส น, นีกุศลเนี่ยเขจบการศึกษาทำนักเดียวกัน สมัยนั้นเมื่อจบการศึกษาก็ต้องมาสดแสดงความสามารถให้พระประยุร ญ, ญาตเห็นพันธุลษเสนาบดีนั้นชำนาญในการยิงธนูกับฝันดาบมากขี่นำกี่ม้มายิงธนูฝันดาบนะฮะมาลีแส ด, แดงศิลปะของตัวเองจนตาบอดพันธุละก็ทำอะไรคือฟันไม้ไผ่ แต่พวกเอาเหล็กไปใส่ไปข้างในฟันไม่ฝายขาดแต่พวกแอบเอาเหล็กไปใส่ไปข้างในงฟันขาดเหมือนกันนะแต่มีเสียงดังถือว่าเสียฝีมือไปแย่ระดับอัศาวินเลยท่านน้อยใจว่าพระญาติเนี่ยไม่ไม่ช่วยบอกกล่าวอะไรให้ท่านอ่อเดี๋ยวท่านท่านลิชวีนั่นคือไอ้ท่านมาลีนั่นคือพวกลิชวีนะฮะปล่อยให้สแสดงกันจนตาระเบิดตาตาบอดแต่ท่านพันธุระนั้นเป็นพวกกุศินราระเป็นเป็นพวกมันละเลยไป กรณีแสดงให้เห็นถึงพื้นทางสังคมของคนเหล่านี้ว่าอัตฉิยาสายออกจากเกเรแล้วก็ไม่ค่อยสามัคคีกันก็ยังนึกถึงสามาัคคีเพศนะฮะไม่ค่อยจะเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันเท่าไหร่ท่านสุนคตะลิชวีเมื่อก่าวาทะเช่นนั้นเรจะตั้งปัญหาถามว่าภาษาดิบุตรท่านได้ยินนะทำไมไม่ชี้แจงภาษาดิบุตรท่านเห็นว่าลิศวีกำลังโกรธ ถ้าชี้แจงแล้วก็เป็นอายุประวัตทันทีคือจะหันมาด่าพระสารีบุตรแล้วมันเพิ่มบาปขึ้นพระสารีบุตรก็ปล่อยไว้ก่อนเพให้แกสงบสติอารมณ์ซะก่อนยังจะพูดเจจาอะไรกันแล้วก็นําความมากราบทูลพระพุทธเจ้าดังที่ทราบแล้วออประเด็นที่ท่านยกมาเป็นประเด็นที่เราชี้ให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งว่าคนที่อารมณ์ถูกครอบงําด้วยกิเลสเนี่ยคือมันสเปะสปะ ไอ้ครอบนำมดยความโลภมันก็จะเปรี้สะปะไอ้หลงมันก็จะเปรี้สะปะไ อ, อ้โกรธก็จะเปรี้สะปะคือพูดเปรี้ยสะปะมันไม่มันมันมันคล้ายๆจะด่านะฮะคล้ายๆจะดา่าอะไรที่เขาเล่าเขาเล่าคนจีนด่าเมียสองชีนี่ถูกตัวเองทุกชี <laughs> อ, ะอะไรนะอะไรเลยก็ว่าเอออะไรนะท้าลือเท้าลือมันก็หน้าอ้ว ไมได่าไอ่ไอ่หน้าอ้วนมันกระเท้าเลยแหละกลับมาอีกทีนีก็ยังด่าตัวเองอย่างนี้กับด่าคือว่ามันมันพูดด้วยความโกรธพูดด้วยความโกรธแล้วด่าทั้งสองครั้งแล้วก็ด่าตัวเองก็นึกว่าด่าเขาหรือพูดด้วยความหลงที่ท่านยกตัวอย่างถึงพ่อของท่านโสมทัศตพ่อของท่านโสมทัศน์ไป ขอโคของพระราชาเพื่อมาไถานาแต่ท่านเป็นคนปั้มปัปเป๋อแล้วก็ลูกชายนี่ฝึกไว้อย่างดีแล้วให้ท่องเป็นคำขอไว้เลยท่องเป็นคำขอไ้เลยบอกว่าข้าพระองค์ไถานาด้วยโคสองตัวโคตัวหนึ่งมันตายจะแล้วก็ขอพระองค์ผู้สมบูริเทพได้โปรดประทานโคตัวที่สองในหะ้ข้าพระองค์ด้วยเอาท่องไปอย่างดีนะพอไปถึงมาก็พูด บอกว่าฆ่าพระองค์ไถานานด้วยโคสองตัวโคตัวหนึ่งตายไปแล้ว mm. ก็ขอให้พระองค์ผู้สมมติเทพได้รับโคตัวที่หนึ่งที่สองไปด้วยไม่บอกให้โคเขานี่ยคือเนี่ยนะมันพูดด้วยความหลงพูดด้วยความหลงเพราะในความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเวลาพูดแล้วมันเปรทุกทีที่ท่านบอกว่าพอพวกนี้มันเข้ามาจากประตูแล้วสติปัญญามันออกทางหน้าต่างให้ลองสังเกตว่าถ้าโลภจัดโกรธจัดหลงจัดแล้วเสียทุกที ท่านสุนักิตะคาตะฤชวีเองก็เหมือนกันเดีท่านโกรธเพราะว่าว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงปาฏิหาริย์แต่โดยพื้นฐานจริงๆถ้าเราดูในพระสูตรไม่ใช่ไม่แสดงคือท่านไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์นั่นคืออะไรท่านเองนั้นไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์นั่นคืออะไร ท, ท, ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ท่านเห็นมาตั้งเยอะแยะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่านั่นคือปาฏิหาริาย์คล้ายๆกับคําสั่งที่อามาตอบในหนังสือนักศึกษาสงสัยนะฮะถ้าท่านเคยอ่านนักศึกษาสงสัยก็จะเห็นว่า คำสั่งจากคำถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแกถามมานะฮะถามเรื่องอภินิหารกับปาฏิหารบอกว่าพุทธวัตินี่ไม่น่าเชื่อมีแต่อภินิหารมีแต่ปาฏิหารแต่คําว่าอภินิหารเองสะกดยังไงก็ยังสะกดมาไม่ถูกเลยมียอการันมาด้วยอภินิหารเนี่ยมันไม่มีหยอกการันก้อนนี้คือเอามาอย่างนึกข้ามเออบางคนเรอมันก็เก่งดีเหมือนกันคือทา้งทั้งที่ตัวเองไม่รู้ก็ยังคิดว่ารู้มันก็คือแนวสุนัขตะลิชวีนั่นเอง ทีนีข้อที่ท่านที่ท่านไปปฏิเสธนั้นท่านจะเห็นว่าท่านปฏิเสธในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่พอสิ่งที่คนอื่นพิสูจน์ได้ท่านกลับไปรับรองแคนี้แล้วข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเข้าถึงเพียงมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ไม่ได้เข้าถึงอุตริมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คืออะไรก็คือธรรมที่ทานคนให้เป็นมนุษย บาลีท่นานใช้คําว่าไดสักุสลกรรมประทามนุสธรรมานามะมนุษย์กุศลกำหนดสิทธิประการชื่อว่ามนุษยธรรมซึงก็หมายความว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นไม่พยาบามปลอมลายบุคคลอื่นเห็นชอบตามนองรองธรรมนี่คือธรรมที่ทําคนให้เป็นมนุษย์ ซึ่งอย่างที่เคยบอกมาที่จริงมันก็ผ่านมาเจอมาหลายสูตรนะฮะในกาลามาสูตรก็เจอเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเป็นประสูตรหลักที่พระพุทธเจ้าใช้แสดงแก่ชาวบ้านโดยพื้นฐานจริงๆแล้วถึงแม้จะมีถึง10ข้อแต่ข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ข้อที่ที่10แต่นั้นเองคือถ้าคนเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาวาจาสัมมากามันตะมันเกิดเองคือการงานชอบการพูดชอบจะเกิดขึ้นมาเอง เราจะอย่างน้อย ก, ก็รู้จักควบคุมจิตใจถึงแม้จะโลภ ก, ก็คงไม่ถึงอยากได้ของคนอื่นถ้าพยาบามบแต่ถ้าโกรธก็ไม่ถึงก็พยายามบัดเพราะวาความเห็นเป็นสมาธิถิอยู่แล้วอุตริมนุสธรรมนั้นแปลว่าธรรมอย่างยิ่งของมนุษย์ซึ่งหมายความว่าเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ขึ้นเหนือมนุษย์บรรลุควาพเป็นอริยะแปลว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอย่างสูงสุดของมนุษย์มันก็ขึ้นไปเรื่อยนะขึ้นไปจากเนี่ยจากเริ่มที่สมาธิเนี่ย เริ่มยินดีในที่สงัดแล้วก็ปฏิบัติสมาธิได้ชาญได้บรรลุวิโมกได้วิมุตติวิปัสสนามักผลไปด้วยจนถึงกับโลกุตรธรรมเ้านี่เราเรียกว่าอุตริมนุสธรรมสุนัขตะลิจวีปฏิเสธปฏิเสธพวกอุตริมนุสธรรมเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องพิสูจน์ยากเป็นเรื่องพิสูจน์ยากถ้าคนไม่คิดมันก็ดูไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าท่านมีอย่า ง, ง น, นั้นหรือเปล่าเพราะดูโดยรูปประกายมันก็คือรูปประกายธรรมดา แต่นี้มนันเรื่องคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจมันก็ดูไม่ออกเพราะงั้นโกหกไปได้หลายวันน่ะจึงคนอื่นจึงจะปฏิเสธแกได้ประการที่สองนั้นแกบอกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยนำมาสแสดงมันเกิดจากความนึกคิดเกิดจากความนึกคิดเอาซึ่งแน่นอนว่าในหมู่ชาวบ้านเองนะฮะในหมู่ชาวบ้านเองพระพุทธเจ้ามักจะไม่แสดงธรรมะสูงสูงจะ แ, แสดงธรรมะระดับการครองเรือ น, นก็เรียกว่าธรรมะจริยานะ ระดับธรรมจริยาเท่านั้นถ้าคนไม่คิดก็เออเออไ อ, อ้อ น, นี่มั้งที่ที่จริงมันก็พอจะรู้รกันอยู่นะพอจะเข้าใจกันนะก็คล้ายๆกับมีโยมงคนหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังมา่ก่อนชวนเพื่อนมาฟังเทศทิวัดมาฟังอะไรพระเทศของเรารู้แล้วนะั่นนี่เพราะอะไรเพราะบางอย่างเนี่ยเป็เรื่องธรรมดาจันพูดเรื่องอบายามกุกมันก็พอจะรู้กันนะพอจะเข้าใจกันนะแกก็พอปฏิเสธได้แต่ว่า ผลธรรมะแกไม่กล้าปฏิเสธเพราะเ ร, ราพระคนในลิจวีในแคว้นวัชีนี่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าได้เยอะแล้วเขาสัมผัสผลเขามาแล้วเพราะงั้นพอมาถึงข้อที่3แทนที่แกจะปฏิเสธแกนึกว่าปฏิเสธอ่ะมันก็เหมือนกับคนจีนด่าเมียที่บ้านก็บอกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรคือหมายความมาแสดงว่าไม่ดีก็คือไม่ดีจะมีผลเป็นทุกข์แสดงว่าดีจะมีผลเป็นสุขนี่มันจะเป็นเข้ามันอย่างนั้นเลย นี่ก็คือยืนยันคือยอมรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ทําไมเป็นอย่า ง, างนั้นคือแกเป๋ไปเพราะว่าแกพูดด้วยความโกรธนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการมันก็โลภด้วยฮะต้องการแสดงฐานะว่าขนาดว่าวิเคราะห์พระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เก่งไม่หยอกนะแต่ที่สำคัญ ก, ก็คือหลงพระเจ้าจึงชี้เฉพาะที่โลกก็หลงอาทิ่ติโกร ก, ก็หลง ว่าที่ท่านสุนัขตะลิชวีพูดเช่นนั้นแกพูดด้วยความโกรธแทนที่จะไปจะไปด่าคือไปด่าพระพุทธเจ้าจริงๆปฏิเสธจริงๆไม่กลับไปรับรองเอาทีหลังแล้วก็การกล่าวตู่เขาเรียกว่ากล่าวตู่นะฮะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี้ไม่ไดีมันจะมีผลเป็นอบายโดยส่วนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรานาไปเปิดเผยชี้แจงแสดงให้แกคนอื่น มันก็ทําให้เกิดริปรลาคกาดเคลื่อนในการปฏิบัติแล้วคนก็หลงผิดปฏิบัติผิดเข้าใจผิดมันก็ชวนกันเข้ารถเข้าพงไปนะก็คล้ายๆกับตอนที่พระเทวทัตแก่แยกพวกออกไปเนะี่ยมันไปดึงญาติโยมไปเป็นเป็นหลายร้อยนะฮะญาติโยมที่ปักหัวลงไปกับพระเทวทัตหลายร้อยพระเทวทัตถูกโทรณีสูบแล้วก็โยมนั้นก็ยังปักใจนับถือพระเทวทัตจนก็กลายเป็นผู้มิฉาทิชีตายไปสู่อบาลทั้งหลายร้อยคนนี่ก็คือ เรื่องเพราะอะไรเพราะท่านกล่าวตูกล่าวตูนั้นหมายความพระพุทธเจ้าแสดงอย่างหนึ่งแต่ว่าแกไปไปแปลซะอีกอย่างหนึ่งหรือไปบิดเบือนแท้บิดเบือนคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นอันตรายเพราะฉะนั้น เ, เรื่องเหล่านี้จึงต้องต้องระมัดระวังในการอธิบายนะฮะถ้าไม่มั่นใจวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งเขา ปฏิบัติธรรมะมาและเขียนธรรมะมามาสวดพออ่านแล้วเราก็เสียหลังก็นึกจะบันทึกให้ไปจะส่งให้ไปบอกว่าเอาไว้อ่านเองเนะอย่าไปเผยแพร่คนอื่นไม่ได้เชิชวนกันตกนกรกเปล่าเพราะมันมันมันเป็นผลที่มันมันมองไม่ตลอดสายนะะคืออย่าลืมมาเรื่องสมาธินี่ถ้าไม่เป็นพระสบกาบันอะไรอย่าไปเสี่ยงนะมันมีภาพหลวงเยอะขั้นตอนของสมาธิมีภาพหลวงเยอะที่เราหลงผิดเข้าใจผิดไปได้แล้วก็กลายเป็นทิฏฐิความดื้อรั้นนะ ถ้าท่านได้ไปอ่านก็ให้ให้ว่างๆให้นานๆกันหน่อยกันนะฮะจะเอาปรมาจาลยสูตรมาพูดสักทีแต่เรื่องยากพระมาจารย์สูตรมี่ยากมันเป็นเรื่องละเอียดมากแล้วก็เป็นเรื่องนิดๆคือมันเฉื่อยกันนิดๆๆมันผิดเอาเดือ้อๆผิดเดื้อๆแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็ท่านรู้ของท่านอย่างนั้นเป็นญาณที่จํากัดคือความรู้ที่จํากัดมันก็นกลบเกิดอยู่ในสระจ้อยอย่างที่ว่ามันก็มันก็พูดเฉพาะในสระได้ ดังนั้นอย่าถึงความวางใจในตอนนี้และยังไงยังไงมันต้องเกาะพระใจวิดกเอาไว้เป็นหลักพระใจวิดกว่าอย่างไงว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่ารับผิดชอบของท่านเองท่านจัดสรุปในที่สุดก็ทรงเชี้ใหเห็นว่าการที่สุนัขตะลิชวีไปพูดเช่นนั้นเพราะไม่ยังรู้ถึงนวหารคุณนะฮะนวหารคุณทั้ง9้าที่เราสวดกันเนี่ยก็ญาติโยมทั้งหลายลองเอามาแปลลองดู แล้วลองคิดดูตามดูไปนั้นให้ให้เข้าใจสักคุณเดียวแล้วนั้นเองก็ได้หลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจแล้วมันไม่แป่งอาราหังเป็นผู้ไกลเป็นผู้ควรเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสาระจได้อาราหังไงฮะไกลจากอะไรไกลจากกิเลสอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ไม่มีกิเลสไม่มีความรู้สึกรักท่าําหนัดยินดีหรือโกรธเคืองอะไร หักกรรมแห่งทั้งสารและจักก็คือทำลายไอ้พวกกิเลสกับกรรมน่ะอวิชาตนหาหัวปาถานกรรมแล้วก็คนที่อยู่ในฐานะนี้มันก็มีทั้งความความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงมันก็กลายเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาสักการะอังกทั้งหลายพระเทรทสมัยก่อนแม้แต่ว่รวรณเองนะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยหรือท่านอุบาลีคุณอุบามาจานจานันทรือท่านเคยอ่านกันเทศของท่านพระเทรทสมัยก่อนนั้นก่อนจะเทศไม่ว่าเทศเรื่องอะไรก็ตามจะขึ้นพุทธคุณเสดสักสิบนาที ห้านาทีเนี่ยจะขึ้นก่อนทุกทีเลยเพื่อยืนยันให้ญาติโยมที่ฟังว่าธรรมะทั้งหมดต่อไปที่จะพูดเนี่ยคือของพระพุทธเจ้านะเอีของพระพุทธเจ้าแล้วสมัยก่อนไอแนวความคิดที่ว่าญาติโยมไปเกาะอยู่ที่อาจารย์เนี่ยจะมีน้อยเพราะอะไรเพราะว่าพระเทรศท่านเชิดชูพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าต้องอ้างไว้เรื่อยเลยเอาพระพุทธเจ้ามาปากหน้าไว้ก่อนเลยมันเชิดชูไว้ก่อน 5นาที10นาทีเนี่ยไม่ว่าจะเทศเรื่องอะไรก็ตามนะให้ลองไปสังเกตการเทศของสมเด็จสังราชเจ้าหรือของเจ้าคุณอุบาลีคุณหุ่นพม่าจาันทร์จรัน์จะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ถือเป็นแบบที่วางไว้ทั่วประเทศพระเทรซรุ่นก่อนเนี่ย น, นั้นจะเทศแนวนั้นบางทีเราในปัจจุบนันในพูดตลอดออจูโมงไม่มีพระพุทธเจ้าสักคำหนึ่งครับพระเจ้าสักคำหนึ่งมันไม่ได้เพื่อเพื่อทำไมอย่างนั้นแล้วก็ในที่สุด ก็เกิดเอ่ความรู้สึกที่ที่เป็นอันตรายและเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราปัจจุบนันนี้คือคนไทยนั้นจะติดอาจารย์จะนับถืออาจารย์กันตัวเองมีอยู่จํานวนไม่น้อยแล้วก็คิดว่าอาจารย์ก็คือผู้ประสิทธิ์ประสาทผู้ดนบรรดาอะไรอะไรให้พออาจารย์ตกเครื่องบินตายก็ง้อยไปพักหนึ่งนี่เรามันมันมันพิสูจน์อะไรได้เยอะนะพิสูจน์อะไรได้ เธอแสดงถึงว่าศรัทธานั้นไม่หยั่งในคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะคุณพระพุทธเจ้าแต่ไปเกาะอยู่ที่อาจารย์และในที่สุดก็ช่วยชูอาจารย์อย่างที่ในสมัยโบราณที่พระพุทธศาสนาเราเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนที่รัติโยคาจารย์เกิดขึ้นในท่านวาสุพันธุ์ทุกซึ่งเป็นนักเขียนเก่งมากอาสังคค์กับวสุพันธุตัวน้องชายเนี่ยน้องชายเนี่ยเขาบอกพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง เป็นพระุทธเอาเจ้าองค์ที่สองมันก็เชื่อชูพระสุพันธุกันจนลืมพระพุทธเจ้าไปเลยลืมพระพุทธเจ้าหายไปเลยพระสูพันธุก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองไปในที่เบตเองท่านสานติรักสิทธิเข้าไปมันก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองไปนี่คืออันตรายเพราะงั้น <c oughs> หลักสําคัญอย่างยิ่งคือเราต้องอย่างยังให้ถึงพระนวาหารลคุณวันวั น, วนหนึ่งก็เอามาสักองค์หนึ่งอรหังสมาสมุทโธปิชายนะสสัมมโนเนี่ย ที่สวดนี้นะฮะ ท, ท, ท, ที่จริงนวหารคุณ <c oughs> ท่านเคยฟังามาบรรยายธรรมบรรยายตอนต้นๆ น, น, นะฮะมาพูดเฉพาะกรุณามหมานาโวคําเดียวนี่ตั้งสิบเอดเดือนนะพูดอยู่ที่ยานกราะพูดคําเดียวนี่งคือมันพออย่างไปแล้วมันลึกจนจนจ น, จ น, จ, นจนสุดวิสัยที่จะหยังมันครอบคลุมเนื้อหาธรรมะทั้งหมดเลยในพระไตรปิฎกพระวุฒคุณเนะี่ยเพราะงั้นท่านสุนทรกตะลิจวีท่านจึงเป ไปตอนไหนท่านจะเห็นว่า <c oughs> อาราหังเองท่านก็เข้าไม่ถึงเพราะถ้าท่านเข้าถึงอาราหังท่านไม่ปฏิเสธในข้อที่หนึ่งแล้วในข้อที่สองนั้นแสดงว่าท่านยังไม่ถึงสัมมาสมังขุโฉยยังไม่ถึงสัมมาสมังขุโท่านจึงปฏิเสธการจัดสรูปของพระพุทธเจ้าแต่ข้อที่สามนั้นก็แสดงว่าท่านยังถึงบทพระภัวะ พ ร, ระกวาพุทโธบอสมควรนะฮะบทพระกวาพุโทโธบอสมควรท่านจึงไปยันท่านจึงไปยันดังนั้นพระพุทธคุณทั้งเนี้ฮะทั้ง9้าบทเนี่ยอรหังสมาสมุทโธ ท, ที่เราแปลว่าแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอราหังเป็นพระหันสมาสมุทโธเป็นผู้ศัสรูดีศั ส, สรูชอบด้วยพรุ่งเองวิชาเจนะสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาและจรณนะสุกโตสเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลก อนุตรโรปริสธรรมสาริเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวมนุษย์นางมนาัาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วภาควาเป็นผู้จำแนกธรรมหรือเป็นผู้มีโชคเนี่ยนัยะ <c oughs> นยะวิจิตพิสดารพูดกันไม่หวาดไม่ไหวอย่างลึกใต้สักข้อแล้วเราจะเห็นปุคลิกภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระพุทธเจ้า คือจับมาสักข้อเดียวเนี่ยแม้แต่ว่าสัทธาเดวะมนุษย์สานังหรือว่าอนุตตรบุริสธรรมสาระทิเราจับคนมาแต่ละคนนี่ไม่มีมนุษย์ไหนก็ฝึกได้เราพพุทธเจ้าท่านฝึกเราท่านได้คือมันยอดสาระที่ที่สามารถฝึกคนซึ่งคนอื่นฝึกไม่ได้แต่ก็ทรงฝึกได้แล้วบางทีก็ฝึกมาได้แค่นี้แต่พพุทธเจ้าต่อให้ไปได้เบื้องสูง พราะงั้นถ้ามาเราจับตรงนี้ได้แล้วเอออาจารย์ลัศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคือศรัทธาจะไม่หวั่นไหวในเราพระเจ้าคนเราพอศรัทธาในพระเจ้าไม่หวั่นไหวแล้วมันเดินนะมันวิ่งได้เฉีวอ่ะไม่ต้องหูวงปัญหาก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่ค่อยจะมั่นคงอะ่ะไม่ค่อยจะมั่นคงบางชีในหนังสือฉบับหนึ่งนะไม่ต้องพูดเขานะฮะอามาก็ได้ยินได้อ่านนะอาจารย์ขอท่านผู้นี้ก็พูดอย่างเงี้ย แล้วมาถึงก็ลูกศิษย์ก็พูดตามเมื่อเมื่อคืนเนี่ยมามานั่งลากเส้นแดงกันแทบเพราะอะไรเพราะว่าแกบอกว่าตันหาเนี่ยเราเข้าใจกันว่าตันหานั้นติดมาแต่กําเนิดแท้ที่จริงและตันหามาเพิ่งเกิดขึ้นนี่ตายเลยนะปฏิเสธพระพุทธภาสิตเลยพระพุทธเจ้าบอกชัดๆเลยตันหาชเนติปุริสังตันหานี่ทำคนให้เกิดมันเกิดมาตั้งแต่ต้นนหละอเนกชาติสังสารังสรรคาวิสางข์นิพพิสังก็เหมือนกันนะพุทธ ลำรัสที่เปล่งพลาแรกเนี่ยเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างคือตันหาผู้กระทำเรือนมันตันหามันติดมาตั้งแต่เกิดไม่ติดมามันจะเกิดได้ยังไงมันเป็นธาตุเป็นเชื้ออยู่ภายในใจตั้งแต่ตกแต่งพบชาติแล้วแล้วในในในมหาตันหาสังใยาสูรเองก็แสดงว่าตันหาเป็นอย่างเหนียวให้ตั้คนให้เกิดอย่างนี้จะพูดได้ยังไงจะพูดขึ้นมามางก็ตู่พระพุทธวัชชนะอันตรายนะฮะเราต้องมองให้รอบทางว่านี่พระพุทธเจ้าว่าอย่างไงไม่ใช่อาจารย์เราว่าอย่างไง ต้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไงเราแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นท่านสุนขรขะฤิชวีเดียประเด็นที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในที่นั้นในกรณีเนี้ยที่ท่านท่านไปปฏิเสธแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ที่เราจับได้เลที่เราเอามายึดเป็นหลักได้ว่าถ้าเราจับได้สี่หลักที่สมแสดงนี้นะคือหนึ่งเราอย่างอย่างถึงพระนวหาลกุลทั้งเก้า มองเห็นในย่าง ก, กว้างไกลเลยไม่ว่าในจุดใดก็ตามจุดอรังสมาสมุโทโภพิชาชนะสัมปโนเนี่ยจนถึงปักกวาระยะที่สองก็คือไม่ยังถึงอิทธิวิธิอิทธิวิธินั้นแตกต่างกับมโนมยิทธินะฮะอิทธิวิธินั้นคือแสดงฤทธิ์ได้เป็นการกระทําอะไรนอกวิสัยคือเหนือวิสัยของสามัญนนชนได้เป็นการกระทําด้วยกายแต่ก็มันเกิดจาก จากใจนะคือมโนโมยิทธินี่ผิดกันมโนโมยิทธิสมมติว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่แต่ว่าเวลาภิกษุณีไปบาเพ็ญเพียรภิกษุณีหรือภิกษุก็าตามส่วนมากเวลาท่านติดปัญหาอะไรเท่นเจริญนะเจริญในปิพสานแล้วถ้าเกิดไปติดเนี่ยพระพุทธเจ้าจะฉายฉับพันรังสีปรากฏเป็นรูปพระองค์อยู่ข้างหน้าแต่แท้จริงพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นพระองค์อยู่ที่ประเทศตะวันที่พระเวณีวันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ แต่ว่าจะปรากฏพระองค์อีกรูปหนึ่งแต่เราพูดจำนวนปัจจุบันก็คือกายทิพย์มันจะไปปรากฏแล้วแกไปเทศให้ฟังไปชี้แจงให้ฟังส่วนมากถ้าเราไปอ่านประวัติพระภิกษุณีทั้งสองรอกว่าองค์นะี่ยที่ท่านบันทึกไว้เนะี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นแหะก็ทั้งการไปติดข้องใจสงสยัยไม่รู้อย่างไงพระพุทธเจ้า ก, ก็ปรากฏเป็นฉายชาปนังสีไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ภาพพระองค์จะปรากฏอยู่ที่นั้นแล้วก็เทศให้ฟังแล้วก็หายแต่ว่าไปปรากฏในที่หนึ่ง ภาพที่ปรากฏนั้นจึงไม่ใช่ภาพจริงเป็นภาพทิพย์เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากกําลังของญาณอย่างที่นักนักหลายเคยรู้ข่าวหลวงปู่แหวนได้ไปปรากฏอยู่บนก้อนเมฆอันนั้นก็คือมโนโมยิทธิไม่ใช่อิทธิวิธิแต่อิทธิวิธินั้นคือคือตัวเองทําเองเลยไปเองทั้งตัวเลยเช่นเดินบนน้ำนะฮะเดินบนน้ําไปในอากาศแทรกไปในภูเขาอะไรเนี่ยผ่านไปทางกงําแพงคือทําสิ่งที่มีไม่ให้มีสิ่งที่ไม่มีให้มีอะไรเนี่ย อันนี้ก็เมื่อวานเนี่ยก็มีท่านผู้หนึ่งมาเล่าเรื่องสยบาบาให้ฟังเพื่อทำสิ่งที่มีไม่มีไอ้บอกบอกวันนี้มันมันที่จริงมันเป็นฤทธธรรมดานะในในพระพุทธศาสนาเป็นพวกกัพิญยาเป็นโลกิยาภิญญาก็ทําได้แต่คล้ายๆที่พระพุทธเจ้าไม่แสดงก็เพราะเหตุว่าบอกว่าคล้ายๆกับมายาวีคล้ายๆกับมายากลเพราะว่าแสดงไปแล้วคนแยกไม่ออกก่ามายากลหรือว่า อทิวิหรือมโนโุมยิทธิเนี่ยแล้วก็ในในที่สุดมันจะมีคนสองฝ่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งเชื่อฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อไอ้ฝ่ายเชื่อก็ดีไปฝ่ายไม่เชื่อก็ดา่าจึงจึงไม่มีผลดีอะไรในการในการแสดงเรื่องเหล่านั้นท่านสุนัขตะลิจวีนั้นไม่รู้เรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้นะฮะเรื่องเรื่องฤทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าท่านข้องใจสงสยัยเราเนี่เปรียบเทียบได้นั้นอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึ่งนั้นที่จริงคำว่ฤทิ์แปลความสมาเร็จทนั้นเอง ในความสําเร็จเช่นอย่างยงพวกวิชามายด์เพสําเร็จโดยวิชาเช่นการไปในอวากาศของมนุษย์อวากาศหรือพวกนักวิยาศาสตร์ทั้งหลายนั้นก็คือฤทธิ์แต่เราแต่เราคิดคิดว่าฤทธิ์ในรูปแบบนะฮะเราคิดในรูปแบบไม่ได้คิดมันในฤทธิ์นั้นท่านจําแนกไปถึงสิบประเภทเลยกันมีเยอะไปฮะปุญญะวะัโตอิทธิเป็นความสําเร็จโดยบุญบา ร, รมีของคนเราเน้นสําเร็จโดยบุญบา ร, รมีเราหาคําตอบไม่ได้เห็นพระนารายก็ดีพระ นาเรสวนก็ดีพระเจ้าตากศินก็ดีหรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้านเนี่ยเนีาเกิดมาทำไมฝนไม่ใช่ฤดูฝนทำไมฝนมาตกท่วมรพระบรมาราชวังนี่มันก็เรียกเป็นปุญญวโตอิชิก็มันมีเยอะแลยอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นผลที่ฝึกปรือมาโดยตรงซึ่เราก็ต้องมองในแง่กายะกิไทยการฝึกปรือทางกายเราจะเห็นว่ากายเนี่ยที่จริงมันก็มีสมรรถนะจากัด แต่คนสามารถที่จะฝึกปลือกายจนเรียกวา่ากรรมนิยะหรือมันใช้ได้พวกยิมนาสติกพวกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเราถามว่าคนทั่วไปทำได้ไหมก็บอกว่าทำไม่ได้แ้วถามว่าคนทำได้ไหมก็บอกว่าทำได้อะไรคือตัวแปรก็คือการฝึกมาหรือไม่ฝึกมาพวกเหล่านี้เป็นผลจากการฝึกจิตแล้วก็เป็นผลโดยตรงจากกะสินโดยทําม กสินเช่นเชื่อว่าท่านจะเดินบนดินเนี่ยฮะเออเป็นแชจะเดินบนน้ำไม่จะเดินบนดินเดินเดินบนน้ำเนี่ยคือท่านเพ่งอาโปกสินเป็นปัตวีกสินมันชชกสินสองกสินนะฮะเพ่งอโปกสินรือเพ่งน้ํานี่ให้เป็นดินเพราะงั้นสมมติท่านแล้วก็คือดินทีนี้ท่านจะไปในอากาศเนี่ยก็ท่านเพ่งวาโยกสินให้เป็นปัตวีกสินท่านก็ไปกันท่านได้ไปในอากาศเดินอยู่บนอากาศเดินจงกรมบนอากาศ แต่อย่างพระพุทธเจ้าขึ้นเดินจงกรมบนพระเศียรพระญาติตอนเสด็จที่กรุงกบินลพัทนะเกิดฝนโบกกรพัดปฐมเหตุของเวสันดรชาดกที่ท่านเคยอ่านนั่นคือเพ่งวายโยกสินคือเพ่งลมเนี่ยให้เป็นอโปกสินเป็นดินแต่พระเจ้า ก, ก็เป็นดินเหยียบตรงไหนมันก็ดินหมดเลยเหยียบดินแต่ถ้าเฉพาะจุดที่เหยียบนะเฉพาะจุดที่เหยียบเป็นดินตรงอื่นมันก็ยังยังเป็นลมอย่างนั้นนี่ยนี่ก็คือไอ้นายวิจิตพิสดารมันเป็นวัสีอย่างที่ท่านท่องนี วัดศีหประการเป็นวัดศรีคือชํานาญหมดเลยพระพุทธเจ้านั้นท่านทํากสินได้ทีเดียวสองกระสินซึ่งตามปกติจะทําไดเ้เพียงคราวลกกะกสินเท่านั้นแม้แต่ภาษาดิบุตรเองก็ทำได้ ก, กสินเดียวนะฮะเช่จนจะใช้เตโชกสินก็ใช้เตโชไปวันหลังจะเปลี่ยนเป็นไบโยก็วบโยไปแต่พระพุทธเจ้าจะใช้ทีเดียวได้สองกสินเพราะบรารมีผิดกันนะฮะคือสร้างบรารมีมาผิดกันนะห่างกันครึ่งหนึ่งนะทีนี้ พวกอิทธิวิธิเนี่ยถ้าเราไม่อย่างรู้เราก็มองไม่เห็นว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์เป็นวิสัยของท่านผู้มีบุญซึ่งซึ่งก็มีเยอะที่เราหาคําตอบไม่ได้เลยอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้เจโตปริยญาติเจโตปริยญาต น, นั้นก็คือถ้าปฏิหารเรียกอาเทศนาปาฏิหารนะฮะคือทายใจได้เจโตปริยญาตนนิรู้จัก กำหนดใจทายใจบุคคลอื่นได้มันมีอนเนกกระยายคือคือหมายความมาชั้นหนึ่งรู้สภาพจิตในขณะนั้นๆว่าคนนี้กโกรธไม่กโกรธอะไรแต่ไรเนี่ยซึ่งท่านทั้งหลายเห็นว่าไอเจโตุปริยานอ่อนๆในี่จริงเราดูออกดูออกคนนี้กําลังไม่สบายคนนี้กําลังกลุ่มแต่เราก็สังเกตจากสีหน้าท่าทางอะไรแต่ไรเนี่ยก็เป็นโจยเจตุปริยานอย่างอ่อนนะเข้าใจอารมณ์เขาเข้าใจความรู้สึกนึกคิดเขานี่คืออ่อนๆแล้วก็ ทายใจได้หมายความว่าเขาคิดอะไรเนี่ยยังคนที่ไปนับถือพระอาจารย์อะไรแต่ไรบางองค์เนี่ยอาจารย์ลุงปู่ขาวอะไรเนี่ยลุงปู่ขาวหรือว่าจันเทศเนี่ยที่บางคนก็คิดหมายมั่นปั้นมือไปจะถามปัญหาท่านแล้วไปถึงกรท่านก็ตอบตามที่เขาคิดให้คิดถามอะ่แะแั้วในที่สุดก็นับนับถือท่านนี้ก็แสดงอะไรแสดงว่าท่านก็ใช้เจโตุปเรียญแต่ว่าพระนั้นไปแสดงตรงๆไม่ได้ มันก็ปิดพินัยแสดงตรงตรงตไม่ได้บางกรนี่รับก็ให้บอกอย่างขนาดหลวพุทธเจ้าบอกนะบอกเนี่ยคนนี้อเจ็ดวันจะตายนี่คือปฏิปฏหารปฏิหารแล้วเจโตปริยาณอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คืออะไรก็คือรู้ไอ้พื้นอัธยาศัยของเขาเป็นพวกอเทศฐานปฏิหารเนี่ยก่อนจะเทศนนี้แต่ว่าอันนี้มันจะอยู่พิสดารในทศผลญาณส10ประการท่าน สุร ก, กะตะก็อีกอะคือไม่อยากรู้ในตอนนี้ไม่อยากรู้ในส่วนที่เป็นเจโตประญยชนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไอ้พวกเจโตประญยชนเนี่ยการรู้จักภายใจเข้าใจพื้นเพอัตยาศัายก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่จิงองมาองธรรมะองค์เดียวกันนะก็อยู่ที่ความเข้มข้นที่จะขึ้นไปขึ้นไปถึงระดับหยาด แต่ว่าถามจริงๆถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าพวกอิธิวิธีก็ดีอ่ะระดับหนึ่งเราก็ทำได้ระดับหนึ่งความสําเร็จทางใจเช่นสมมติว่าไม่ใช่พวกผู้แสดงฤทธิ์ทางกายอะ่ะพวกที่ที่เราฝึกปลือมาในกรณีนั้นๆเราก็ทํำก็เราได้และเจโตปริยานในระดับหนึ่งเราก็เท่าใจาทายใจรู้สึกว่ารู้ไอความรู้สึกนึกคิดของคนและถ้าหากว่าลองสังเกตนะฮะลองสังสังเกตท่านอยู่สงบ อยู่สงบหน่อยอาจจะนั่งสมาธิหรืออ่านหนังสือหรือทําอะไรแต่ย้ายฟุ้งเวียนนั้นโทรศัพท์รกริ่งเนี่ยท่านรู้ทันทีเลยใครโทรรู้ได้ทันทีแต่ว่าท่านต้องสงบพอสมควรนี่ก็คืออะไรก็คือรักเอ๋เ อ, อพวกเจโตโภคระยะหรือบางทีคนมาในเรามองหน้าเรารู้ค่อยมาธุระอะไรนี่ก็คือเจโตคระยะแต่ก่อนอ่อนนะฮะอ่อนๆที่เราก็มีการพอสมควรสันตานประมาณนะฮะก็จะให้เก่งเหมือนพระอริยะไม่ได้แต่นี่คือ เป็นพื้นฐานเป็นเชื้อโดยธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วพระพุทธศาสนาก็พัฒนาขึ้นไปให้มีสมรรถนะมันสูงขึ้นจนเข้าจุดที่สมบูรณ์น่ยแต่ว่าถ้าเราไม่สังเกตเราก็คลาทิศทางอะไรไม่ได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะสุดวิสัยที่จริงมันไม่สุดวิสัยรมันก็อยู่แล้วในจุดหนึ่งเราก็มีอยู่แล้วนั่งสงบสงบสงบางที่คนเดินมาไกลยๆยังรู้เลยอนี่จะมายืมสตางยังมาธุระอะไรยังรู้เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปไปอะไรแต่ว่าให้สังเกตนะฮะ ต้องเป็นจิตตุประบาทแรกเป็นตัวตัดสินคือว่าความคิดพอเห็นแก่ปั๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็วินิจฉัยได้แต่ถ้าไปคิดฟุ้งแล้วต่อไปมันมันสมาธิมันอ่อนแล้วก็ส่วนมากใช้ไม่ค่อยได้เหมือนกันทีนี้ต่อไปก็คือพวกอะไรภุเพนิวาสาราติญานคือการที่ทรงระลึกชาติต่างๆได้เป็นอนเนกกระรายของพระพุทธเจ้าเนี่ย ลึชาติย้อนหลังนะฮะลึกชาติย้อนไปข้างหลังชาติก่อนไม่ใช่ชาติต่อไปภายหน้าสอย่างนี้ท่านสุนัขตะย่างไม่ได้สักอันเดียวย่างไม่ได้สักอันเดียวแล้วท่านไม่พยายามคิดเปรียบเทียบถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าทําไมท่านท่านเปไปแรงขนาดนั้นเพราะท่านปักคือท่านปักในรูปแบบว่าไอปาฏิหารก็คือที่ท่านเข้าใจว่านั่นคือปาฏิหารแต่ในขณะเดียวกันในเนื้อหาของปาฏิหารทั้งหมดนั้นท่านไม่เข้าใจ กกๆกฤทธิ์ที่เราเข้าใจเนี่ยฤทธิ์ก็หมายความเราต้องหอกได้เราคิดเราต้องหอกได้แต่บางบางเรื่องไอฤทธิ์บางเรื่องนั้นเราไม่ได้เข้าใจในพื้นฐานว่าที่จริงฤทธิ์น่ะมาสมเหตุโดยกําเนิดก็มีที่เราหาคําตอบไม่ได้อย่างไอไส้เดือนมันอยู่ในดินกบบรรจมศีนได้อะไรแต่ไรนี่ปลามันอยู่ใต้น้ําได้สัตว์บางชนิดมันกินปลาคารังได้นี่เป็นฤทธิ์โดยกําเนิดของมันซึ่งซึ่งซึงง่งไม่มีใครหาคําตอบได้นี่ก็คือความสมเหตุโดยกําเนิดก็เป็นฤทธิ์ชนิดหนึ่ง ถ้าเราเข้าใจโดยปริยายเช่นท่านสุนักตะเองนัเข้าใจคําว่าปาฏิหารในเนื้อหาขอบข่ายของปาฏิหารท่านก็จับได้เยอะแล้วพระพุทธเ จ, จ้าแสดงทั้งหลายครั้งต่อหน้าท่านเองแต่เดี๋นี้ท่านก็ติดในรูปผมว่าต้องเหาะต้องเหาะไปในอากาศคือคือคือติดในรูปแบบของปาฏิหารถ้าถ้าเรามอง ขอบขาข้าปฏิหารได้เราก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ท่านไม่เห็นขอบขาเของมาปฏิหารแล้วก็ไม่เห็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามันก็เสร็จหมดทั้งสองอย่างเลียกว่าล็อกตัวเองและในที่สุดต่อมานั้นทงแสดงทศผลระยานนะฮะทศผลระยานี่จริงเป็นเรื่องใหญ่คือแต่ละข้อมันก็เทศได้กันสบายสบายหนึ่ง ส, สข้อก็ว่ากันสิกันก็ทีนี้จะจึงจึงบรรยายโดยสรุปนะฮะบรรยายโดยสรุปข้อหนึ่งนั้น ทศพลญาณแปลว่าญาณคือความรู้ที่เป็นกําลังของพระทศพลพระพุทธเจ้าเรียกว่าทศพลเพราะสมกำลัง10ประการนะฮะเหมือนกับทศเสียนคือว่าทศเสียนก็หมายความว่าสิบผัวทศพลทศพลญาณข้อแรกคือฐานาฐานะญาณแปลว่าทรงรู้ ฐ, ฐานะและอัถนาฐานะก็คือคือความเป็นไปได้ของเรื่องเหล่านั้นอัถนะก็คือความเป็นไปไม่ได้ เช่นสมมติว่าคนทําดีแล้วจะมีความทุกข์เพราะการกระทําดีนี่เป็นไปไม่ได้หรือคนทําชั่วจะได้รับความสุขความจเจริญเพราะการกระทําชั่วนั้นไม่ได้นี่เป็นการลงตัวตายตัวลงไปเลยว่าเหตุอย่างเนี้ยเหตุอย่างเนี้ยเช่นสมมติว่าปลูกมะพร้าวผลออกมาเป็นหมากไม่ได้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นอาถารนะคือมันเป็นไปไม่ได้ ฐานะคือความเป็นไปได้หมายความว่าทําดีก็เลยดีดทําชัวช่วก็เลยชั่วไงนี่เขาเรียกว่าฐานะเป็นไปได้เพราะงั้นในแนวแนวแนวแนวนี้มันมันจะไปขยายที่จริงถ้าเราสังเกตพ ร, ระไตรปิฎกนะฮะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะโดยอนเนกกระปริยายแล้วธรรมะข้อหนึ่งเนี่ยประสูนย์หนึ่งจะอธิบายอีกประสูนย์หนึงประสูนย์หนึ่งจะอธิบายอีกประศูนย์หนึ่งถ้าเราอ่านให้จบแล้วเราไม่ต้องดูเอกสารก็ได้พระพุทธเจ้าจะอธิบายธรรมะของพระ อ, องค์เองแต่จะไปอธิบายไปในที่อื่น เพราะแสดงธรรมะตามเหมาะควรแก่คนฟังในขณะนั้นตรงนี้คนฟังเท่า น, นี้ก็พอแล้วก็แสดงท่า น, นั้นแหละแสดงท่านั้นแต่ว่าในที่อื่นไปขยายที่อื่นจะอธิบายธรรมะด้วยโปร่งเองไว้นะแต่เราต้องต้องศึกษาให้ตลอดเราจะเห็นเนื้อหของธรรมะเหล่านั้นเพราะงั้นพวกพวกอาถานะเนี่ยอาถรณะคือเป็นไปไม่ได้เช่นว่าคนพระพุทธเจ้านะในโลกธาตุเดียวกัน ในโลกธาตุเดียวกันจะมีพระพุทธเจ้าสององค์ไม่ได้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์ไม่ได้คําว่าพร้อมกันนั้นหมายถึงว่าเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งยังมีอยู่เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาไม่ได้ทําไมเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นต้องตัดสรุอริยสัจสี่ซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นอริยสัจสีนั้นต้องไม่มีอยู่ในโลกคือคนไม่รู้อริยสัจสีจึงมีการศึกษาค้นคว้าจนตัดสรู้ ตเรสสียังมีอยู่นียังปรากฏในเอกสารมีการเผยแพร่มีการแสดงกันแล้วสมมติว่าท่านจะหลุดพัวขึ้นมาเป็นพระอริยะขึ้นมาก็ยังดีก็แค่อนพุทธะคือศัตรุตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้แต่ะว่าในโลกธาตุเดียวกันนะฮะอย่าลืมว่าโลกธาตุมันไม่ได้มีโลกธาตุเดียวจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวในจักรวาลอื่นในโลกธาตุอื่นไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธอะไร แต่ปังกันในพระสูตรมหายานที่ท่านแสดงถึงว่าพระมีตาพระพุทธเจ้าพระภัยสัชคุรุพระอะไรตีไว้อยู่ในโลกธาตุต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนี้นะไม่ได้ขัดแย้งกับพระสูตรในในฝา่ายเทรวาตพระพุทธเจ้าพูดเฉพาะโลกธาตุเดียวกันเท่านั้นเองหรือว่าเป็นอาถานะที่คนทําความดีแล้วจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทาําดีนี่เป็นอาถานะเป็น อาถรรพที่คนทําชั่วแล้วจะได้รับความสุขความเจริญเพราะการกระทําชั่วคืออาถานะนั้นคือเป็นไปไม่ได้ฐานะคือเป็นไปได้จึงห ม, หมายความว่าไอเนี้ยเมื่อประกอบเหตุอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วผลจะเป็นอย่า ง, งาอื่นไม่ได้ก็ตัวอย่างง่ายๆดูปลูกพืชกันแล้วกั น, น ง, ง่ายๆดีเข้าใจคําว่าอานะรานะรพอาถรรพก็คือเหตุผลนะครหมายความว่าเหตุอย่างหนึ่งผลจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ นี่ก็ส่งรู้โดยละเอียดเพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงจำแนกโดยปริยายต่เชิงของเหตุผลบางทีก็แสดงเหตุก่อนบางทีก็แสดงผลก่อนก็แล้วแตออ่อันหนึ่งข้อต่อไปก็เรียกว่าวิปากยานอันนี้พูดถึงผลนะพูดถึงผลนว่าผลที่ปรากฏเนี่ยผลที่ปรากฏไม่ว่าในชีวิตคนหรือในอะไรก็ตามทรงแสดงว่านี่เป็นผล เป็นญาณที่รู้ผลเหล่านั้นถึงเหตุบางทีมันอยู่ไกลลิบเลยแต่พระพเจ้าทรงรู้ผลเพราะฉนั้นอาศัยที่พระญาณเหล่านี้ทําให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะได้เพีย้ยเพีย้ยเพียเพ้ ย, ย, ยคือวางลำขดได้อย่างยกตัวอย่างเช่นพระยาศกักดิุลบุตรเนี่ยพระยาศกักดิุลบุตรทําไมท่านไปเห็นคนดีๆคนยังเป็นเป็นเป็นสร้างศพได้นี่คือผลพระพุทธเจ้าทรงรู้วิปากกะยาด ทรงรู้ว่าอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากท่านเจริญอาสุภกรรมฐานมาก่อนในสมัยที่คือเป็นคนพื้นมันดีอะดูประวัติพระอริยาสาวกแล้วมันเกิดพบชาติไหนมันพื้นดีคนนิสัยดีสันนดานดีบํำเพ็ญก้าะไรในมูลนิธิโปอเทคติงอะรเนี่ยคือที่ไปเก็บศพเขามาเผามาอะไรก็จากการทเราเผาศพบวกอนาถาต่าง แต่ก็ไม่ใช่เผาธรรมดาคือเผาแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยพิจารณาถึงความปฏิกูลน่าเกลียดอะไรต่ออะไรของร่างกายความเปือยหน้าอับผุพังมันก็สะสมมาเป็นบารมีเพราะงั้นพอบาร ม, ามีท่านเต็มฮะท่านเต็มท่านมองคนอื่นมองคนอื่นเป็นเป็นศพไปแล้วแล้วไอ้ซึ่งซึ่งซึ่งไอ้การเต็มในแนวนี้คล้ายๆกับเจริญอธิกะสัญญาเนะีย่ยอย่างที่เคยเล่าไว้กวางเรื่องพระเจริญอธิกะสัญญานะคือมองให้เห็นเป็นร่างกระดูก พอถึงจุดหนึ่งนี่มันจะมองคนอื่นเป็นร่างกระดูกหมดถ้ามนสิการนะฮะธรรมนัิการทั้งอธิกรสัญญาอยู่นี่มันจะเห็นเป็นกระดูกหมด น, ะนี่ก็คือคือเรื่องอะไรคือเรื่องของธรรมะที่มันมันมันเกิดขึ้นมาถึงใจแล้วก็ยังผลที่มันปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายเช่นพระจุลปันถกทําไมถึงโง่อย่างเงี้ยทำไมถึ ง, งโง่พระพุทธเจ้าก็บอกที่งโง่นั้นเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นคนฉลาดแต่ก็ชอบล้อเลียนคนอื่น ชอบดูหมิ่นคนอื่นที่เรียนหนังสือไม่จําไม่เข้าใจก็ค้าก็เห็นเพื่อนติดอ่างแล้วเพื่อนล้อเรียนไปเดื่อยก็ติดเองนี่ก็เราก็เห็นเน้นกันอยู่นะอันนี้คือวิปลากะยานหรือว่าท่านสุภาพุติสุปาพุทธกุตินี่ทำไมจึง เ, เป็นโรคเรื้อนเป็นลูกเรื้อนสุกปรกมอมแแมมเนี่ยแล้วทําไมจึงมีปัญญาฉลาดฟังเทศบรรลุโสดาบันไดพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ความหมาที่เป็นโรคเรื้อนนั้นก็เพราะว่าเคย เดินสวนกับพระปเจกับพุทธเจ้านะครับสวนกับประปเจกับพุทธเจ้าตามปกติและการหลีกผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องให้ผู้ใหญ่ไปทางขวามือเราหลีกผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เราก็ไปไปทางทางใดทางขวามือท่านกันก็เราสวนกันอ่ะทีนี้ท่านท่านท่านเนี้ยแต่ชาติก่อนนะฮะไม่ใช่ชาตินี้ท่านก็ไปไปหลีกแล้วให้ไปทางซ้ายแล้วในขณะเดียวกันก็แสดงการดูหมิ่นก็ทมน้ํำลาย เติมน้ําลายสแสดงการดูหมิ่นสมณะโลนก็บาปกรรมนั้นนะฮะทำให้ท่านเป็นโรคเรื้อนแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็เคยบําเพ็ญบุญมาอีกชาติหนึ่งบางคนละมึงคือบากรรมมันก็จําแนกไปแต่ทําให้ท่านได้ฟังเทศบรรลุมรรคผลไปหรือว่าพระติสระท่านปูติคัตติสระเทราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าปราลบเหตุนี้แล้วก็ทรงสแสดงเรื่องอุปถาคบำรุงภิกษุไข่นะฮะ แต่ใครต้องการพยาบาลเราก็ให้พยาบาลพิสูจน์ไขแทนท่านท่านรูปนี้ท่านเปื่อยคือเกิดเป็นตุ่มตุ่มตุ่มุ ม, มแล้วมันแตกเละแตกเละกระดูกกระดึกมันเปื่อยจนว่าเหม็นหึงไปหมดเลยพระไม่มีใครปฏิบัติวัดถากพระพุทธเจ้าต้องไปเองไปเองไปต้มน้ําเองไปซักผ้าเองอะไรแต่ไหนล้างแผลให้เองทําเองแต่ก็ก็ทํำยังไม่นานนะกับพระบางหลายก็ต้องมาแต่พระพุทธเจ้าจะปล่อยพระพุทธเจ้าท็เกินนะีหยก็ พรเจ้ก็เล่าให้ฟังวันเนี้ยพี่ชาก่อนมันก็ไเป็ น, เ ป, นเป็นพรานนกพรานนกก็ไปหานกมาแต่บัวนกจะหนีไปแต่หักขาไหมนะหักขาหักขาไว้น่ะหักขาหักปีกควายปีกอะไเนี่ยเป็นพรานเป็นนายพรานดักนกมาขายก็กลัวนกจะหนีคือขายไม่หมดก็ไปหักขาไว้หักปีกไปวิธีก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ว่าจริงก็ไม่น่าหักก็ได้ก็ขังกลงมมาเฉยๆในที่สุด ก็ส่งไอ้วิบากตามนี้ส่งให้ท่านมาสิ่งอะไรที่ท่านทำํำไปกับนกเนี่ยมันก็มาเจอที่ท่านนี่คือพวกวิบากยา น, น, นวิบากยานคือรู้ตัวผลรู้วิบากที่ว่าเกิดขึ้นหมายความว่าไอ้ที่ปรากฏนั้นปรากฏเฉพาะผลเทาาาา่านั้นปรากฏเฉพาะผลสวนฐานาฐานะนายนั้นคือหมายความพูดถึงเหตุพูดถึงเหตุว่าถ้าเหตุอย่างนี้มันก็เป็นฐานะที่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเหตุมันเป็นอาถรรพที่ว่าเมื่อสร้างเหตุอย่างหนึ่งแล้วผลจะออกมาอีก อีกอย่างนึงอันนี้ก็คือผลมันก็คืออะไรนะฮะถ้าท่านทั้งหลายโยงง่ายดีก็คือสัพพุริสธรรมข้อหนึ่งข้อสบสัพพุริสธรรมข้อหนึ่งข้อสองแต่นี้มันไม่ใช่ธรรมดามันความรู้ที่สมบูรณ์เต็มที่เลยจึงเป็นญาณไปทั้งทั้งที่จริงๆมัคืออัถนิุตากับรรมัญยุตาในในสัพพุริสธรรมครอันนั้นสําหรับระดับสัตว์บุรุษรู้เหตุรู้ผลแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นระดับญาณไป จุดเริ่มต้นมันก็คือกันของพระองค์นั้นสมบูรณ์ไม่วิปลาชแต่ของเราไม่แน่นะฮะบางทีสัตว์ปรุษเองก็เปรี้ดดานกันอย่างสีเทาอะไรนะฮะสีทายัางรู้พราดนักปราดอยยังรู้พลังของพระเจ้านั้นเป็นยานทาัทง้ทงทงั้งที่ตัวธรรมะ ก, ก็คืออันเดียวกันเพราะคุณภาพไม่เหมือนกันเลยชื่อก็เรียกต่างกันต่อไปก็เรียกว่านานาธาตุญาณ นานาธายาณนั้นหมายความว่าทรงรู้จักธาตุต่างๆที่มาประกอบมาประชุมกันจนถึงกับโลกกธาตุโลกกธาตุต่างๆวันก่อนนี้มีแม่ชีคาตอลิกท่านมาหาอาตมานั่งคุยกันรู้สึกว่าท่านก็หัวงใหญ่อาตมานะฮะว่าไปเขียนหนังสือเรื่องนี้ไปเดี๋ยวคริสจะมาจ้างยิงเราท่านก็มามาเล่าอะไรให้ฟังนะฮะเรื่องของคริสแล้วก็ท่านพูดไปพูดมาเนี่ย ท่านบอกเอ๊ะดิฉันเข้าใจว่ามันน่าจะมีพระเจ้านะท่านยังไงยังไงนะมันน่าจะมีพระเจ้าสักองค์หนึ่งเพราะมันมันมันน่าจะมีคนสร้างอะไรเพระดูมันวิจิตรพิสดารนะแกแล้มาก็อธิบายถึงไอกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาตินะฮะตามแนวที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาให้ฟังเนี่ยที่จริงบอกไว้นี่มันมันมันมันมันเป็นมันมันเกิดขึ้นมาจากกฎของธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ทุกอย่างนั้นอยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติที่ว่ามันไม่มีใครสร้างมันรอกมันมีใครสร้างมันมันเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของมันแล้วเราก็อธิบายอะไรไม่ได้ถ้าอธิบายว่าพระเจ้าสร้างแล้วจะยุ่งทันทีได้พระเจ้าสร้างจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยตั้งแต่ปัญหาตั้งแต่คนมาแล้วนะฮะตั้งแต่พระเจ้าสร้างคนนะบาังฝีมือคนเดียวกันเนี่ยมันยังไงมันต้องใกล้เคียงกันนะ่ะพวกอภริกานทำไมสร้างเดี๋ยวมนดูไม่ได้เลยอะมันมันเราจะมีปัญหาตลอดเลย แล้วทําไมสร้างยุ่งสร้างอะไรแต่ไรมาเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมีปัญหาตลอดแต่ถ้าเราถือว่านี่คือคือคือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นมาจากกดและเงื่อนไขของธรรมชาติเนี่ยแล้วเราจะหาข้อยุติได้ไม่จําเป็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรมันแล้วมาก็บอกถึงว่าระบบต่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้เยอะนะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้จะแสดงในกรณีที่คนก็ถามเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ไม่ต้องการในีมันวุ่นวายไปไกล ให้มาดูที่ตัวเองที่ใกล้ๆตัวเองศึกษาเข้าใจตัวเองแต่ถ้ามีถามก็พูดนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพูดเรื่องรูปของอชีวิตที่เริ่มปฏิสนธิในคันมารดาแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงเนี่ยอินทกาญาคมาทุนถามก็ตอบท่านนะั้นน่ยตอบท่าที่ถามตอบท่าที่ถามตอบมาก็บอกขั้นตอนเจวันเป็นอย่างนั้นต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นย่งนั้ก็บอกมาบอกมาโดยละเอียดท่านถามเฉพาะประเด็นนั้นก็ตอบเฉพาะประเด็น เพราะอะไรมันมันมันยุ่งอ่ะแล้วไกลตัวแล้วมันมันไม่ไม่ใช่ว่าจะมาศึกษาวิชาแพทย์กันมันก็ศึกษาวิธีที่จะแก้ทุกข์หรือว่าพอพูดถึงสุรยิยะจกักรวาลพอมีปัญหาถามพระเจ้าก็แสดงสุรยิยะจกักรวาลแสดงก็แสดงท่าที่ถามที่ว่าโลกตั้งอยู่บนอะไรโลกก็อยู่บนน้าน้ําอยู่บนไรลมลมอยู่บนอากาศก็มันซ้อนกันเป็นแถวแถวแถวแถแถวไปอากาศเป็นอะไรเป็นสุญยากาศแล้วถามมาสุญยากาศเป็นอะไรพระเจ้าพอพอพ อ, พอ คือยุ่งมันมันก็พอสุญญากาศไปถึงจุดหนมันก็เป็นอากาศมันก็เป็นลมมันก็เป็นน้ํามันก็เป็นโลกอีกมันก็เข้าไปอย่างนั้นอีกอ่ะมันมันเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่เชื่อมโยงกันแล้วก็ทรงแสดงเป็นที่เรียกว่าวิจิตพิสดารนะหนังสือนี้พระสูตรนี้มีอยู่สองสาสูตรอ่ะที่แสดงแนวนี้แต่แสดงจากคาถามเมืองไทยสมัยสมเด็จพระมหาสํานะนั้นไม่ให้แปล บอกไม่ได้เดี๋ยวแปลก็หาว่าเรื่องโกหกเพราะมันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วก็คนที่แปลกลายเป็นพวกศึกษาทางจักรวาาวิทยาที่สหรัฐแปลออกมาแล้วก็เทียบภาษาอังกฤษแล้วก็เทียบไปที่เขาคนได้ก็ค้นพบมาจนปัจจุบันเนี่ยว่าที่จริงระบบสุริยะจักรวาลพระพุทธเจ้าเห็นได้ไกลกว่าตัวนักวิทยาศาสตร์คนพบในเรนี้เขาเรียกคัตเตอร์ในเยเมนนี่มีพระอาทิตย์หกดวง แต่ที่พระเจ้าแสดงไว้แสดงไว้ถึงเจ็ดดวงมีดวงดาวเป็นบริวารแสนโกรธคือสรุปมันนับไม่ได้นับไม่ได้มักจะใช้คําอ้แย่องนันอันันตจักรวานแสนโกรจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลมันมีเยอะแยะไม่ได้มีเฉพาะโลกเราเป็นอันันตจักรวานนับกันไม่หวาดไม่ไหวไม่ไม่รู้จะเรียกตัวเลขยังไงนะฮะอย่างที่คัตเตอร์ในเยเมนี่ที่ที่เขาคนพบเนี่ยมันก็มีอะไรมี พระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางหกดวงแล้วก็มีดวงดาวที่ขึ้นต้นด้วยเลขยี่สิบถลย่สาตามด้วยศูนย์ยี่สิ็ตัวคนนับมันก็นับไม่ได้เหมือนกันแหละนะก็ใช้คําว่าอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลหรือแสนกฎจักรวาล น, นี้ก็ทรงแสดงนานาธาตุยานั้นทรงรู้ละเอียดนะฮะเรื่องธาตต่างๆในรู้ละเอียดแต่ว่ามันไกลตัว เวลาแสดงเรื่องธาตุมันก็าตมักจะเน้นาธาตุที่ตัวมากกว่าที่จะออกไปาธาตุทางนั่นาธาตุธาตุธรรมะธาตุพื้นาธาตุต่างๆเนี่ยธาตุคือเชื้อต่างๆเนี่ยเวลาจาําแนกแสดงโอสัมนกวิจิตพิสดารบางเรื่องเนี่ยจนจนประสูตรมีตั้งเยอะที่ว่าเราอ่านแล้วยั ง, ง อ, อย่างไม่ถึงอ่านแล้วยังไม่ถึงเพราะว่ามันก็มันก็เหลือวิสัยเหลือวิสัยพระพรุทธเจ้าถ้ามีสัพพัญญุตญาณมนก็แสดงกันทานได้ลึกซึ้ง นี่คือคืออย่างรู้เรื่องธาตุทั้งปวงแต่ไม่ใช่แสดงทั้งปวงนะจะแสดงเฉพาะธาตุที่เอามาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาวิเคราะห์ตัวเองทําใจให้สงบแล้วก็ได้ญาณปัญญาขึ้นมาจึงมักจะพูดถึงเรื่องธาตุหธาตุอะเนี่ยแท้ได้จริงแล้วธาตุนี่ทรงแสดงไว้อนเนกกระปริยาจนถึงโลกธาตุโลกธาตุระบบสุริยะจั ก, กรวาลสากลจั ก, กรวาลอะไรต่ออะไรเนี่ยหเหตุเกิดของชีวิตของสัตว์ก็แสดง แต่ว่าสแสดงไปผ่านๆแสดงผ่านๆไปไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เจาะลึกโดยพิสดารเพราะว่ามันไกลตัวปัญหาในแนวนี้พระพุทธเจ้าจึงมักตัดประเด็นไปว่ามันเหมือนกับคนที่ถูกถูกลูกสอนแทงเนี่ยาจะถอนลูกสรให้แล้วมาถามว่าอย่าถอนก่อนนะอยากดูว่าสอนนี่ยิงมาจากไหนใครยิงนะแล้วก็ไม้ที่ทำได้สอนนี่ทำโดยอะไรมียาพิษชนิดไหนอะไรนะถามไปทํา ม, มาใตา้พอดี ก็เลยเสียเวลาเสียเวลาพระพุทธเจ้าจึงมักจะขโมดเข้าชี้ อ, อริยศาสตร์เสียเพื่อให้คนมองใกล้ๆอย่ายมองไกลๆมองไกลไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้การศึกษาในพุทธศาสนาจึงมาเน้นที่โลกโลกธาตุของเราแทนที่จะเน้นไปโลกธาตุคนอื่นให้ศึกษาที่เราเรียนรู้ที่เราในทุกขั้นตอนของการดํารงชีวิตนะฮะซึ่งท่านจังหลายจะเห็นว่ารู้เราก่อนให้รู้เราก่อนแล้วก็ในที่สุดจะไปรู้คนอื่น อันนี้ก็คือเป็นระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นมาจากพระยานพระยานพระเจ้าวันนี้ก็มาได้มาสามทศพรษแล้วหนึ่งหรือกพ็พระสูตรนี้เข้าใจว่าคงจะต้อง4ี่ครั้งนะฮะเพราะธรรมะเยอะเหลือกลเกินแล้วก็ถ้าเราให้รายละเอียดได้ในพระสูตรนี้นะจะจะรู้อะไรในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวของพุทธเจ้าที่ยังไม่เปิดเผยนะมีเยอะอยู่ในนี้ฮะเล่าเองทั้งหมดเดยเป็นรเรียกว่าพุทธประวัติจัเล่าเลย แล้วก็สมัติวันนี้ก็ขอยุติไว้ดดวยเวลาเพียงเท่านี้